น, นี้ไปที่จงตังใจฟังธรรมเทศนาการฟังธรรมเทศนาให้ดูจกกากความหมายเทศนาอะไรที่พระองค์ะเทศนาก็าดีหรือครูบาอาจารย์รเทศนาก็าดีความประสงค์างปะสงอะไร พุทธศาสนาที่พระองค์สอนนั้นสอนให้เห็นทุกข์สอนให้จักทุกข์ไม่ได้สอนอะไรทั้งหมดสอนทุกข์ทางนั้นนั้นซึ่งเป็นต้นเหตุของโลกที่โลกจะเกิดขึ้นมาก็เพรฝะมีทุกข์ ต้นเหตุของทุกของโลกนะั้นคือตัวทุกข์อันนี้ยไปสอนที่ไห น, นตรงไหนก็เทศตรงไหนก็เทศเทศเรื่องทุกข์นั้นเพราะอะไรพราะคนเราเกิดขึ้นมามันมีทุกข์อยู่แล้วทุกคนจึงให้เห็นตามเป็นจริง ทุกสิ่งทุกส่วนที่เราเกิดเคยมาเรนไดเอาไว้ยาวะทั้งพวกมดล้วนอดเมิทุกไปจํำในทั้งนั้นเพื่องงี้งสอนให้เห็นตามเป็นจริงมีแขนมีขามีหูมีตามีอวัยวะ ท, ทุกสิ่นส่วนล้วนอเดเทุกไปจไปําำในทางนั้น แต่คนเราไม่มองเห็นตาก็เป็นทุกข์หัวก็เป็นทุกข์จมูกเรียงกายก็เป็นทุกข์ทวายวะทุกขิ้นส่วนทิ้ทั้งนั้นไม่ทุกข์ยังไงมันเกิดคือมาตั้งอยู่แล้วก็ต้อง กระทบกระเทือนมันเกิดขึ้นมาสร้างอยู่แล้วก็ต้องแปรปวนไปต้องรับสูนเป็นที่สุดนอกจากนั้นอีกตาหูจหมูกร่ยงกายมันกระทบอิทธาลมสิ่งที่พอใจสิ่งที่ยินดีชอบใจ นั่นคืจำความดีนั้นติดไว้ในใจอยู่เสมอจะยืนเดินนั่งนอนไปมานึดตั้งหลายปีล่วงแล้วไปตั้งหลายปีก่อนนึกคิดถึงอยู่เสมอให้การนึกคิดนั้นในใจเป็นความสุข แต่ความหลงของคนนะเข้าใจว่าสุขคือคิดถึงอารมณ์ของเก่ามันเดือดร้อนเป็นทุกข์โอนกระไวก็ทซับกระายนั่นเรว่าว่าเป็นทุกข์ตัวมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วถ้าหูจะหมูลีนไก่ มีตาก็มีโรคไว้สำรับให้เจ็บให้ขันตาต้อตาแดงมีโรคไระจำไว้นันท่านหน่อยจะาคุโรโค ร, รวมเรียกว่าโรคให้ตามีหูก็มีโรคไระจำอยู่ในตัว มีจมูกม่ลียนม่กายกายิ่งมากมายเยอะเจ็บปวด น, นนท์นี่สระพักอย่างโรคแสกโรคซึมโรคไวจาตัวโรคแสกโรคซึมคือมันจอนมาเป็นไข่เป็นวัดเป็นวัดเป็นไอ ก็จพัาทุกอย่างมันจอนมาเนื้อที่จะจะขนานานะ่ะส่วนโลกของมันเองท่านจะเกิดมามได้โลกในตัวอยู่แล้ว<ม>เจ็บปวดเมื่อยนั่นนี้ต่างๆเป็นโลกั้งนั้นเป็นทุกข์้างนั้นแค่เท่าจะลาสำลุดชุดโรง มันโลกไปจำมาทั้งนั้นแ่ะโลกทั้งหลายเหล่านี้แหละมันยากที่คนจะมองเห็นโดยสมารมองขามแคมีตาเข้าใจว่าตาได้เห็นสิ่งที่ดีที่ชอบคิหน้าเพื่อเพลินเจรินใจ ชอบชออกชอบใจลืมคิดถึงเรื่องกลุมกรรามมีหูไม่จมูกไม่ไดีไม่ไกลก็เพลินตามหลงตากลืมมองกลุมกามมีดีก็ต้องมีชั่วเท่าเทกัน น, นั่นแหละนี่นยิ่งจะร้ายกว่าชั่วัไอ้ยิ่งจะร้ากว่าดีตั้งอีก อย่างมีตาเนี่ยได้มองเห็นสิ่งสารพัดทั้งฟวงหมดมันทำไมมีตาก็ไม่เห็นรูปเสื่อดเพินจเจริญใจนั้นสิ่งเพลินจเจริญใจนั่นแนหะมันทุกข์ในนั้ น, นะนเนี่ยความเจริญใจนะั้คือความทุกข์นั่นแหละมันจเจริญตรงไหน ชอบใจต้องใหญ่เป็นรูปสวยรูปงามรูปที่หน้าเพิดเฟินเจริญใจอความเพิดเฟินเจริญใจนั้นตัวนั้นแหละคือตัวทุกแต่เราไม่เห็นนราเห็นว่าทุกข์แต่ยาที่ปลายฝั่งมันไปติดไปคลองไปคอพันเป็ยินดีเพิดเฟินนั่นหนึ่งนั่นแหละความทุกข์ เกินกับทุกข์ <c oughs> ตาเห็นเป็นสิ่งที่เราเพิดเพินเนจเริญใจชอบใจอ น, นั้นก็เห็นทุกข์แล้วกล่ ง, งันข้ามอีกท้านี้ไม่เห็นนะทานี้กเสียดายคิดถึง เรื่องอันที่เห็นนั่นอนที่เจรจญใจที่ชอบใจนั้นน่นยิ่งทุกข์ญ่นอกจากนั้นอีกอันได้ตามาค่อยบำรุงบำรเลอรักษาการเจ็บการป่วยเล็กๆน้อยๆเอาแว่นมาสวมไว้สายตาสั้นสายตา ไม่เห็นสว่างสายตาสั้นเรียกว่าเป็นโรคอันหนึ่งแล้วนะวจะจำไี่แล้วนะต้องเอาแว่นตามาใส่เมื่าสวงเมื่อไม่มีแว่นมันก็ไม่ได้ยินหู ก, ก็มือนกันเมื่อไม่ได้ยินเสียงก็เอาเครื่องมาใสอันน่าหาว่ามันมีเครื่องใสมันก็ไม่ได้ยินนั่นนลยมันกลุก่มเงาขาม มันไม่เคยสุขมันเป็นทุกข์ยังรลายกว่านั้นอีกเมื่อมันทุกข์องเรามีหูได้ความสุขสบายมีตามีหูได้ความสุขสบายเวลามันเสื่อมเวลามันเสียเวลามันรีคนวีก เจ็บตาเจ็บแสนสาหัสมัคนคงได้มาไม่รู้จากเจ็บเวลามันได้มามันเจ็บเวลามันเป็นมาเวลามันป่วยมาเจ็บจนกระทั่งร่องครวนขา่าเจ็บหูเหมือนกันเจ็บฟันกเหมือนกันยิงแล้วเรามองเห็นแด้ความดีที่มัน เนีย่ยว่าแทนเจ็บพาใจว่าสุขเวลาทุกข์มันทุกข์ร้ายกว่าสุขนั่นดีให้มองขุ่งกันค่าจะไปเห็นได้ทายเดียว <c oughs> ไอ้ไว้ว่ า, วาทั้งมดที่ได้มานี่เหมือ น, นนั้นน่ะให้คิดเอาเอง ตาหูจมูกเลียงกายใจให้คิดเอเองคำว่ากายมันมดทางกายมดทุกสิ่งทุกอย่างรวมในในกายนั้นเป็นโรคไข้ภัไข้เจ็บแตกสรรพั์ทุกอย่างมันหมดมันต้องทุกเดือดร้อนคนเราเมื่อจะตายมันต้องเดือดร้อนเต็มที่ กระซับกระสายกระวนกระวายเดือดร้อนเต็มที่ที่เขาเรียกว่าธาตุแตกคันต์บับกระซับกระสายดินหลนจนเต็มที่แล้วกลเมื่อธาตุแตกมันกรหมดมันกรหมดกระวนกระวายมันไม่รู้สึกเลยแล้วนันตอนนั้นมันจะตายแล้ว ถ้าไม่แกล้งก็ไว้ไม่ตายหรมันยังรู้สึกอยู่พอหมดแล้วก็หมดความรู้สึกตาย <c oughs> <c oughs> ทมได้ไงล่ะคะนี่มันจำเป็นทุกคนและเกิดขึ้นมาตั้งแต่พุทธเจ้าเป็นต้นมาพุรามรรศาสตา ย, ยอดเยี่ยมของโลก ท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันท่านเห็นแล้วท่านเห็นจริงแล้วท่านจึงสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราเห็นตามท่านแล้วจะเอาไปไว้ไหนแล้วทุกคนนี้เอาไปไหว้ไห้ทำไมไม่มีใครรับหรอกเออฝากใครไหว้ก็ไม่รับจะไปซื้อไ้ขายเขาทำไมเอา ทุกคนมันมีเยอะแยะทุกคนเรื่องทุกทั้งหลายแล้วนี่เอาไปซื้อไปขายมาันก็ไปเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกสิทุกอันหนึ่งแลว้วก็ทุกสองทุกสามเข้ามาเพิ่มกึ้นก็แย่สิไม่มีใครรจะเอาก้อนทุกกองทุก เมื่อผู้องค์เห็นเช่นนั้นแล้วจําเป็นจะต้องเข้ามาค้นข้อเห็นตัวทุกตามเป็นจริงดังที่ว่า น, นี้ฉันเห็นทุกตามเป็นจริงแล้วความสุขของพระองค์นั้นไม่ไจะเกี่ยวข้องส่วนสุขของจิตเกาะเห็น ทุกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของเบิกบานทุกก็เป็นเรื่องของทุกส่วนจิตได้เป็นเครื่องเบิกบานอยู่ในใจเพราะเห็นสภาพตามเป็นจิตพระองค์ยังให้เห็นตามตอนนั้นจริงอยู่แหลเมื่อยังมีชีวิต คือมีวิญญาณสัมผัสรู้ได้รู้ต่างๆมันจะไม่ให้ทุกข์ไม่มีถ้านม่าทุกพระองค์เจ้าก็ไม่มนิพพานนั่นแหละการที่จะนิพพานนะข้พเ้ามันทุกข์นะทุกข์ถึงที่สุดนั่นแหละแต่ทุกข์ น, นั้นไม่ได้เบียดเบียนพระองค์ ก็เห็นตามเป็นจริงเพ่งพิจารณาเห็นตามเป็นจริงพระองค์ยังพ้นจากทุกได้เร า, าลองดูสถิถ้าตั้งสติพิจารณาเห็นทุกตามเป็นจริงแล้วทุกนั้นจะไม่ทับถมใจของเราเลย สติตัวนั้นแหละเป็นของดีเด่นขั่วมดทุกสิ่งทุกอย่างสตินั้นให้คุณถ่ายเดียวไม่มีทุกเวทนาสัญญาแสงขานวิญญาณโลดทั้งนั้นเวทนาความเจ็บปวดไม่อยู่ดีสบายถ้ยอยู่ดีสบายก็ดีถ้าชิดเฉยก็ดีในเมื่อมันชิดเฉยก็ชิดเฉยอยู่หร แต่หาก็มันจะกลับมาเป็นเวทนาสุขทุกข์เขากระชัยิ่งไลาทุกั์เก่าอันนี้มันกลับไปกลับมาไม่เหมือนสติสติตอนนี้ถ้าหากว่าคอบคุมให้อยู่แน่วแน่ในมีสติอยู่แล้วจะตั้งมันหาวอนนี้ตลอดเวลา สัญญาความจดจําก็เจนเดียวกันตั้งขาเนียนยันกับเป็นเดีย ว, วยกับปุญญม่มเคงแต่งสาราพัดยิ่งถาให้มากฝ่ายทําให้ทุกมากก็คนอีกกว่านั้นอีกเพราะมีขันห้าเหล่านี้แหละมันยังทุกมากเมื่อพระองค์เมื่อเอาสติไปตั้งไว้ในขันห้าส่วนใดส่วนหนึ่งในรูปเวทนาสัญญาสังขาเนญาณมันรู้เท่าเข้าใจตามจริงแล้ว ควาทุกข์จ่ไม่คอบงมผิตมันยากมันกานถ้่จะพูดทุกมีอยู่แต่ไม่สามารถจะครอบงมผิดมันยากพูดตรงนี้ยากที่จะเข้าใจเห็นได้ตนเองเมื่ อ, อไรแล้วนั่นเนีะอ๋ออย่างนี้เราจึางจะพูดได้ออกปากใส่อ๋อคือมันทฤษฎีจึงว่าในนี้เสียหาย ยิ่งตั้งไวมากก็ไดไรสติเข้มแข็งก็ได้ไม่ให้อารมณ์ทั้งหลายนั้นไม่ย่มยีเบียดเบียนได้ทั้งมั่นเท่าไรยิ่งได้ความสุขมากลวพุทธศาสนานี้รวมมุงที่สติแห่งเดียว เทศมากไปแล้วทค่เทไรก็เอาเถอะรวมบนที่สติแห่งเดียวอัปมาเดนสามปาเดทาท่านทั้งหลายจนยังทรงสมาธิใความถือคือความไม่ะมาธิในสติอันเดียเรื่องทั้งหลายนันมันเป็นเรื่องปรุงแต่งเรื่อง ไปตามกิเลสเครื่องยุ่งเหยิงตาเมกิเลสทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็เพราะไม่มีสติมีวันทั้งหลายจะเกิดขึ้กกนก็เพราะไม่มีสติอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นอัญจนาทางหกก็เพราะไม่มีสติข้อตัดสินไม่พอมีก็ไม่พอ ทรศนีก็ไปเท่งพิจนาแล้วเรื่องนั้นหลายนะ่ะหายหมดยังเหลือแต่สติอันเดียวสติกับจิตเลยเข้าไปอันเดียวกันสติคุมจิตมันไวที่แรกที่มันดิ้นลนวุ่นวายต่างๆคือตัวจิตดิด้นโลนคุมอยู่นั่นแนหะไม่ให้มัน ส่งออกนอกคุมอยู่ในที่เดียวนี่จนกระทั่งมันอยู่สติท่านนั้นเลยเข้ามาจิตจะเข้ามารวมสติไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นแหละตรงที่ยังนจะเห็นของจิ่งทุกทั้งหลายที่อธิบายทั้งหมดจะเห็นเั่นตรงนั้นเน่ะ คำทายยังไม่ได้ถึงตรงนั้นกราบใดมันก็ยังหลงเชื่อตามมันเดียวต่อหลอดเวลามันยุส่งเสริมให้เห็นดีเห็นชอบให้เชื่อมันตามมันแล้วก็หลงตามมันมันจะตีตั้งมันได้สิ่งเดียวได้ เขาถอนจากมันมาสติกับจิตรวมเข้าไปแล้วเลยเป็นอิสระในตัวจะมองเห็นสิ่งชั่วทั้งหลายที่เป็นมานั้นเป็นของหน้าโทเรตโทลงังเป็นของหน้าเบื่อหนายเป็นเหตุในจิตสลดทั้งเวท เทศนาตองนี้ที่พูดไปทั้งหลายลนั้นี่ว่าไม่เห็นไม่ดูไม่เข้าใจตามเป็นจริงอันนี้พราที่ที่เราไม่มีสมาธิหัดสมาธินนแน่วแน่ว่าที่ใมันเป็น สมาธิในความแน่วแน่เป็นหนึ่งนั่นเรียกว่าสมาธิท่านไม่เห็นสมาธิปลาแต่แล้วไม่เห็นตามที่จริงตรามันเคยเพลิดเพลินรุ่มหลง ม, ม, มัวเ ม, ว ม, นมนานมน่าจะเกิดมาแล้วแต่หลายภพหลายชาติยากที่จะทำใจให้อยู่เป็นสมาธิได้ เหตุนันมาจึงมาเห็นต่างเป็นจริงถ้าไม่เห็นตามเป็นจริงก็คนก็หลงโมเมาอยู่ตามเรื่องถ้าทั้งหลายที่มันเรียนไหวแต่เกิดกับเคราะเหตุตัวนี้แหละมันทําสมาธิให้เป็นหนึ่งแมวเนี่ลงไปคิดออกจากสมาธิแล้วจะพิจารณาเห็นชัดต่างเป็นจริง จึงจะตัดกระแสความสะวนกระวายเกี่ยวของกบันมะฟว ง, ง, งมดพ้นจากทุกได้พระพุทธเจ้าท่านสอนดักสอนหนาสอนสมาธิภาวนาให้เข้าถึงหลักตั้นหนึ่ง ตัง้งขึนหลังกันหนึ่งแล้วตั้งมั่นอยู่ในสติใจยังเป็นหนึ่งแล้วมีสติทุกเมื่อจะคิดจะนึกจะตื่นตองอะไรต่างก็เห็นตัวมันอยู่รู้ตัวมันอยู่มันคิดดีหรือคิดชั่วคิดอย่าปละเยียดนะจะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ความชั่วมันเป็นของน่าเกลียดตึงกลัวมันต้องทำลาวนันสิความดียังเป็นเหตุน เ, น, เ, น, เนืเพลิดเพลินกินอาทางที่ชอบมันก็เป็นเหตุนึ้นเพลิดเพลินสนุกสนานเมื่อความดี น, นั้นเขาใครใจยังไม่อยากใจ ก็รักษาวาจะติมันเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาคิดชั่วแร บ, บเจียวเสนอมันก็เห็นเป็นโทษใหญ่โตโหดทมันก็มีแต่ความดีความชั่วกับความดีมันหักล้างขึ้ยู่ในตัว เมื่อหักล้างตัวใน่ตัวเห็นชั่วมากเข้าไปมันก็หักล้างมากของชั่วนั้นออกไปออกไปมันจะเหลือแต่ความดีมังคะความถุกสบายเกิดในที่นั้นนั่นแหละเราฝึกหัดอบรมนิสัยของเราอบรมใจของเราตรงนั้นแหละให้มันละชั่วถ้ามันเห็นความ ฝึกหัดนิสัยใจสันดาน์ของเราให้ ม, มันค่อยดีขึ้นเมื่อการลบล้างกันอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิแน่วแน่แล้วอย่าไปอยากรู้อยากเห็นนั้นมันหารู้คือมาเองจิตเป็นสมาธิไม่แช่ัหมอยู่ตลอดเวลาอยู่พักหนึ่งหรื ผู้เชอขาวไม่อาจจะต้องออกส่งทายไปตามเรื่องส่งทายไปมันเห็นตามไปจริงนะสันนี้ไม่เหมือนเมื่อไหฝึกขนอบรมเมื่อไหร่ฝึกขนอบรมมันก็ส่งทายเหมือนกันแต่มันเพลินมัวเมาขบขมมันส่งสายไปไม่ทราบว่าดีหรือชั่วการฝึกขนอบรมแล้ว มันดีเต็มที่เข้าถึงจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วมันส่ายออกไปคราวนี้มันเป็นเรื่องส่ายแป็หาปัญญาเคิอดอบายปัญญา <c oughs> มันยังสามารถรู้แจ้งเช็นจริงจริงนั้ น, น, นได้ เห็นหน่าเดียว่าฝึกหัดตรงสมาธินี่แหละให้มันคงจะได้มากเท่าไหร่ไม่มีประมาณสมาธิมันมากกันเถอะไม่มีประมาณเราไปใช้ไปสอยที่หนึ่งจางเยอะหมดไปสมาธิไม่พอเดี๋ยวหมดไปได้ ว, วันหนึ่งวันหนึ่ง เราหัดสมาธิไม่มันน้อยใช้ไปเลยวันหนึ่งเลยไม่เหลือให้มันเหลือไปทีวันหนึ่งมันเหลือไปทีนี้จะหน่อยอท้าทงไปทีจึงเรียกว่าภาวานาทำคงเพียนสมาี่ไม่มีมันก็ไม่ใช่ทำภาวานาคงเพียนเลยไม่เหลือว้ หาเงินหาทองก็ลองดูสิหาวันใช้วันมันก็หมดแล<ต>้วไม่มีเหลือหาไว้เหลือไว้วันหนึ่งเดือนนิดเดือหน่อยมันก็หลายวันเท่งกัมากสะสมจนก็ยังค่อยมีค่อยรวยเข้มาที่ก็ชิมด้านเหมือนกันเอาตั้งใจทําวองเปลี่ยนทำภาวนาจบ